เพ ย, ยืดจนคานี่ก็คือเออญาติโยมผู้อยู่ใกล้จะทำยังไงนะ้าเพราะเขาจะมาทำบุญเขาก็มาไม่ได้เพราะญาติพี่น้องเขาเยอะเนเขาขอไปที่บ้านเขาเถอะหลวงพ่ อ, อเอเอออ้าวยืดจนนะแต่บางครั้งเออเมันเกินไปละมาัางเอาละจะไปไปเถอะมารวมกันฉันที่วัดเถอะให้ยึดแนวแถวขององค์หลวงตาไว้เป็นหลักเถอะอะ ทำบุญที่ไหนทำบุญที่บ้านก็มีพระสีห้าองค์มาอยู่ที่วัดของเรานี่มีมีพระทั้งหมดยี่สิบสามสิบองค์เราจะอุทิศส่วนกุศลต่อพี่น้องพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายก็ได้เพราะพระสงรวมกลุ่มกันมีพระหลายองค์เป็นคณะสงฆ์ใหญ่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับหมู่ญาติแต่สำหรับเราเนี่ยวชอบง่าย มันก็ไม่ได้แต่ที่ทางนี้ทางนั้นธรามามีพระมากแต่ทายาทธรรมของเราน้อยเราก็ไม่ต้องหนักใจมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเรามีเจตนาทําบุญเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่ต้องคิดหนักโอ้ถ้าไปเลี้ยงพระอยู่ในวัดเนี่ยเราจะต้องทําอาหารเพิ่มเอหรือจงต้องใช้ทุนเพิ่มอย่างนี้เราไม่ต้องคิดเราเจตนาเท่าไหร่ก็เท่านั้นละ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 ในหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นหรงพ่อจะบอกให้คณะัตทายาตโยมเพื่อเป็นแนวความคิดนะเพื่อการศึกษาในขั้งพุทธกาลเนะี่ยมีไหมมีพระสงฆ์ไปรับนิมนต์อย่างเนี้ยอย่างพระสงฆ์ไปรับนิมนต์รับมัตตกะพัดคือทาพัดหรือว่าทบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายพระสงฆ์ก็ไปไปรับนิมนต์ในสถานที่ต่าง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 ที่ทําบุญบางแห่งก็ทําบุญอีกอย่างนึงแต่บางแห่งก็ทําบุญอีกอย่างนึงอันไหนหนอจะได้บุญมากกว่ากันพระสงฆ์ก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ไปฉันในกิจนิมนตไปเห็นแล้วก็จัดทาญาติโยมขอไปฆ่าพวกสัตว์มาทําบุญมาทําบุญเลี้ยงญาติเลี้ยงพระเลี้ยงญาติจะได้บุญได้กุศลไหมายหนอพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ว่า เปล่าประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเปล่าประโยชน์ไม่ได้บุญทำให้น้อพระเจ้าข่าเคยมีมาแล้วในอดีตการพระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าพระองคองบอกว่าสมัยหนึ่งมีทิสปามโมกอาจารย์อยู่ในกรุงพาราณสีมีลูกน้องบริวารถึงห้าร้อยแต่นี้พอสอนไปแล้วอาจารย์ก็ยอยากจะทาบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ญาติอย่างหลวงพ่อเนี่ยสอนลูกศิษย์อย่างนี้นะแล้วก็คิดอยากจะทําบุญให้พ่อให้แม่ก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปไปจับแกะมาไปฆ่าอทําบุญอุทิศให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานทั้งลูกน้องก็เลยไปจับเอาแกะเนี่ยได้แกะพอจับมาแล้วก็เอจับนาไปฆ่าเอไปตัดคอแกะเท่านั้น มันระ ล, ลึกชาติได้ในชาติที่แล้วชาติก่อนๆมันเลยหัวเราะเฮ่หัวเราะขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ฮแต่ในพวกลูกน้องของทิศสปพพโมกอาจารย์นะ่ยที่จะฆ่าแกะตัว น, นั้นนะ่ะก็เลยวัดแกะทําไมเธอจึงร้องไห้ถึงจุงหัวเราะด้วยแกะตัว น, นั้นพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าให้นําข่า ไปหาอาจารย์ของสุเจ้าไปหาทิศ ป, ปะมกอาจารย์ถ้าไปทําไปหาทิศ ป, ปะมกอาจารย์แล้วเราจะพูดให้ฟังพวกนั้นก็เลยเห็นแปลกข้าแกะมาต่ออะไรไม่เคยมันพูดเป็นภาษาคนแล้วก็ไม่ทำเอากับกิริยาอย่างนี้ก็เลยนําแกะตัว น, นั้นไปหาอาจารย์ทิศ ป, ปะโมกทิศ ป, ปะโมกอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรถามไอ้แกะทําไมเธอจึง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 ข้าพเจ้าจึงเห็นบาปกรรมของท่านข้าพเจ้าจึงร้องให้แต่นี้ทิศสัพโมกอาจารย์ก็บอกว่าที่ในอดี ต, ตการน่ะเธอะระลึกชาติได้น่ะพูดให้ข้าฟังที่ว่าเธอทําอะไรแก่ตอนนั้นก็เลยบอกว่าในอดีตอดีตกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยเป็นทิศสปพโมกเหมือนท่านเนี่น่ะอยมีบริวารมากอย่างนี้เหมือนกับท่านเป็นทิศสปพโมกเหมือนกัน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 ทิะปะโมกได้ยินอย่างนั้นแล้วก็โอ้เราไม่ฆ่าเจ้าหรอกยุดเราจะไม่ฆ่าเจ้าเราจะเป็นผู้คุ้มครองเจ้าอีกต่างหากแกตัวนั้นก็เลยบอกขึ้นมาว่าถึงท่านจะคุ้มครองข้าพเจ้าก็เถอะแต่ข้าพเจ้านี่ยได้ทําบาปกรรมไว้แล้วในอดีตเป็นชาติที่ห้าร้อยร้วชาตินี้ถ้าข้าพเจ้าตึกทิ้งยังไงข้าพเจ้าจะต้องตายในวันนี้ทางทิะปะโมก ตายไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้บริวารลูกน้องของเรากับตัวของเราเองจะติดตามเจ้าอยู่ตลอดจะคุ้มครองเจ้าอยู่ตลอดแกะตอนนั้นจะคุ้มครองอย่างไรก็ตามข้าไปเจ้าก็ไม่พ้นกรรมที่ตนได้กระทาไว้แต่นี้นแกะตอนนั้นก็เลยปล่อยไปปล่อยแก่ตอนนั้นไปพวกลูกน้องบริวารนี่ยพยายามสังเกตสังกาหอมหน้าหอมหลังมันจะไปที่ไหนมันจะกินอะไรลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ตอนนี้นแก่ตอนนั้นก็ไปปีนป่ายขึ้นไปไปเห็น พลานหินแล้วก็ก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็มีเถาวันมันมาคุมก้อนหินแกะกันเลยปีนขึ้นไปไปกินเถาวันเคือเขาเถาวันอพอมืดมีเมฆฝนมาทั้งบนฟ้าแนละ้วพอมีเมฆมาท่านั้นฟ้าผ่าเปี้ยงลงไปตัดคอแกะตอนนั้นเลยขาดนะแกะตอนนั้นก็เลยตายพอตายเจเละเทวดา ที่สิงสถิตอยู่ที่ที่ต้นไม้บริเวณะนะั้นแสดงตนให้ปรากฏออกมาบนอากาศบอกว่านี่นะกรรมทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าทำกรรมนะถ้าเปการฆ่ากันนะถึงขนาดฆ่าสัตว์เฉยๆก็ยังบาปกรรมถึงขนาดนี้ถ้าฆ่ามนุษย์นะฆ่ามนุษย์ษด้วยกันหรือฆ่าผู้ทรงศีลหรือฆ่ามนุษย์ที่เป็น ผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีจะบาปขนาดไหนแต่ขนาดฆ่าแกะขนาดนี้ก็ยังบาปถึงขนาดนี้เพราะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่ายินดีในการฆ่าสัตว์อย่ายินดีในการฆ่ากันให้ํำรวมระวังเพราะกรรมตัวนี้มันติดต่อนอเนื่องสิ้นเนื่องไปนานเท่านานนี่แหละเทวดาแสดงตนให้ปรากฏจากนั้นมากหายเงียบ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 พุทธศาสนิกชนพูดลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธองค์นี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้อ่านมาในพระไตรปิฎกถึงจะเป็นเรื่องแท็หรือจริงอย่างไรก็หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษามาแต่หลักของพุทธศาสนาทางกล่าวกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในเมื่อข่าคนอื่นคนอื่นก็คิดฆ่าเราอันนี้ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วถึงจะหนักหนาสาหัสถึงขนาดนั้นหรืออันนี้ก็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 ล้ ม, มวัวล้มควายเลี้ยงเป็นอาหารเลี้ยงคนเนี่ก็จากนั้นก็กินเหล้าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยากันหลวงพูทธามท่านเห็นแล้วท่านบอกเออถ้าเรางานกระถินขึ้นมาไม่มีอาหารชูเจ้าก็จะต้องฆ่าวัวฆ่าวควายมันในงานกระถินของเราเพราะนั้นกระถินของเราไม่มีเราจะไม่มีงานกรถินใครจะเอามาก็าเอามาทําบุญเท่าไหร่ไม่ทําก็ไม่เป็นไรข้ามบวชมาคขาเนี่ข้ามมาได้มุมม่งหวัง ทรัพ ส, สมบัติไม่ได้หวังล่ําหวังรวยอะไรทั้งหมดข้าจะอยู่แบบแบบพระแบบผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรมข้าพเจ้าจะไม่ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องการค่าการอยู่การกินข้าไม่ต้องการลาบยศอะไรทั้งหมดอันนี้หลวงปู่จามท่านพูดนะอไม่เคยมีจริงๆเหนะมือนกันมีแต่เมื่ออายุท่านร้อยปีเนี่ย ร้อยปีกับบ้านเมืองก็เจริญแลยท่านนี่เออเอาของอาหารร้านอาหารก็มาจากตลาดมาจากในเมืองได้หลวงพ่อเนี่ยเออลูกหลานทุกคนนะ่ะจุดประสงค์ของหลวงอาหลวงปู่หลวงตาของเราเนี่ยท่านว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์มาให้กินเหล่าเอ่อผลนั้นวันนี้บ้านเมืองของของเราก็เจริญมากแล้วการตลาดการไปมาหาสู่จากในเมืองจากที่ไหนๆก็มาได้สู่เจ้าจะเป็นลมรัวลมควายนะ่ะ อางเจตนาของหลวงอาหลวงปู่ของเรานะ่ะหยุดนะ่ะถ้าว่าพวกซุ้ยเจ้าทําอย่างนั้นเราจะพาทําบุญลําลึกถึงหรือว่าแสดงความกตัญญูในองค์หลวงปู่ของเราร้อยปีแฮะหลวงพ่อจะพาทำร้อยปีของหลวงปู่จามเนอะเขาก็รับนะ <c oughs> เขาก็รับทุกคนเออเอารับเอาทําบุญโอ้ปีนั้นน่ะสองปีให้หลังรู้สึกว่า มืดฟ้ามัวดินเลยโคนมาในงานในงานของหลวงปู่นะเพราะท่านไม่เคยจัดมาก่อนเลยนี่แหละเหตุนี่แหะคือที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเข้ากันได้ในพระใจปิดกที่ว่าท่านไม่ให้ทำบุญทําทานนะอย่าไปหาคิดคนะ่าจัดตัดชีวิตค่าบัวค่าควายอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่วายชนผู้ที่ตายไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้หาอาหารในตลาดทิม เราไม่ได้สั่งเราไม่ได้แนะเขาไปเอามาโดยที่มันมีอยู่แล้วแต่เราจะเอาหรือไม่เอาเขาข่าไว้อยู่แล้วมีเนื้อไว้อยู่แล้วเราเอาเท่าที่มีมาทําบุญทําทานเรียกแขกเลียงคนนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทางว่าเราไปสั่งให้เขาข่าให้เขาจัดการมันก็เป็นบาปเป็นอกุศล ส, สาหรับผู้ที่วายชนไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะขอฝากไว้กับ พวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่อยากคิดจะทําบุญเออย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอะไรเท่าไร่ก็เท่านั้นะคือเจตนาของเราเป็นหลักนะเจตนาของเราเป็นหลักใหอ่เรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจออยากจะทําบุญทํากุศลเอให้แก่บรรพชนคือพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายของเราอาหารอะไรก็เท่าที่มีนะั่นแหละพวกพักๆญาติ เลี้ยงน้ำก่เลี้ยงเนี่ยเป๊ปซี่โค้ดาน้ำแข็งกาฟงกาแฟไปเล่ายาอะไรกองดงดเว้นอันนี้คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุคภการีบุคคลผู้มีอุปการะตัวทําบุญให้วงสาคณ า, าญาติของเราให้พวกเราถึงจะไม่เชื่อร้อยเปอรเซนก็ให้สะกิจใจเอาไว้นะให้ทําใจหรือสะกิจใจเอาไว้ให้ฟังเอาไว้ ในเรื่องเหล่านี้นะเพราะเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยบางทีเดินเจอเข้าไปเต็มเป้ามันก็จะหนักเกินไปถ้าเราระวังระวังไว้กว็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะนีนะ่คือการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่ามีเงินมีคําทรัพย์สมบัติแล้วก็สั่งด่มาเลยจัดการฆ่าอะไรมาเลยกินเหล้าเมาญาตเต็มที่เต็มทางอย่างนั้นไม่น่าถูกนะเราต้องศึกษาอีกเหมือนกัน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 การทำบุญทำทานการจะสร้ททางคุณงามความดีการจะภาวนาก็เหมือนกันการจะภาวนาภาวนาเนี่ยใจภาวนาให้ใถูกต้องอแต่ภาวนาเข้าไปเป็นบ้าก็มีนยะทาไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ถามไทยอพอภาวนาเข้าไปแล้วก็หลงผิดใช่ไหมหลงผิดก็ไปทางวิปัสสนูอุปกิเลสไปทางกิเลสอันนี้ไปว่าเป็นวิปัสสนู แต่ถ้าวิปัสสนาเป็นชำระกิเลสแก้กิเลสชำระใจของตนเองให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาแต่ถ้าวิปัสสนูวิปัสสนูแปลว่าอุปกิเลสมันสำคัญผิดเนะนี่นสิ่งเหล่านี้ขนาดภาวนาแท้ๆก็ยังมีผิดมีถูกนะ เพราะสิ่งอย่างอื่นมันก็ต้องมีเหมือนกันให้ทานยังไงจึงทั้งจะถูกต้องให้ทานยังไงจึงจะผิดมันผิดรักษาศีลอย่างไงศีลจึงจะบริสุทธิ์ศีลไม่ด่างไม่พลอยอย่างนี้ภาวนาอย่างไงจึงจะถูกต้องสรุปแล้วก็คือต้องได้รับการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้รับการศึกษามันผิดพลาดได้นะ น, นี็ขอฝากไปกับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร